ช่วงนี้มีหนังเรื่องนึงนะที่ผู้คนพูดถึงกันมากก็ไม่ใช่หนังดังหรือว่าหนังที่จ ะ, ะเรียกคนก็ามาชมเท่าไหร่นะแต่ว่ามันให้ข้อคิดที่ดีหลายคนบอกว่าดูแล้วอึ้งนะทำไมไม่ได้ดูนะเรื่องนี้เพราะว่ามันยังอยู่ในโรงหนังเรื่องนี้ชื่อว่าแปลนเจ็สิบห้า แปลงก็คือแผนหรือโครงการ75ก็หมายถึงอายุนะมันเป็นโครงการของรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นเรื่องจินตนาการนะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการแก้ปัญหาผู้สูงอายุแล้วก็เปิดรับเฉพาะคนที่อายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปนะก็คือคนแก่นั่นแหละ แก้ปัญหาผู้สูงอายุยังไงนนะก็แก้ปัญหาด้วยการที่เปิดรับคนที่ไม่อยากจะอยู่แล้วคนแก่ที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะโครงการนี้เขาก็จะอ่เปิดโอกาสให้เลือกวันตายได้แล้วเขาก็มีวิธีทาให้ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานก่อนตายนี่เขาก็จะให้ให้เงินนะ หนึ่งแสนเยนก็ประมาณ 25,000 หรือ 30,000 บาทเอาไปใช้จ่ายตามสบายจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายด้วยเงินก้อนนี้แล้วก็เลือกวันตายตายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทำจัดการศพให้เรียบร้อย ฟังดูก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่เรื่องจินตนาการแต่ที่น่ากลัวกว่าคือว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จินตนาการนะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือว่าเ ว, เวลานี้เนี่ยรัฐบาลหลายประเทศเลยนะเขา ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อเป็นสวัสดิการเนี่ยคนแก่สมัยที่คนแก่มีจำนวนน้อยคนหนุ่มสาวมีจานวนมากเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าคนหนุ่มสาวก็จ่ายภาษีเป็นสวัสดิการคนแก่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนแก่มันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ย ประชากรที่สูงวัยเนี่ยเกือบหนึ่งใน4ี่นะหรือหนึ่งใน5้าของประเทศก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคนแก่นี่มันสูงมากนะแล้วก็ภาษีที่ได้จากคนหนุ่มสาวเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆหลายประเทศมีปัญหาว่าเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาดูแลคนแก่ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะนั่นก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่ามีโครงการแบบนี้ดีกว่านะแปลน75จะได้ลดภาระของลดภาระทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจ่ายแค่หัวละแสนนะก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเอางบประมาณนี้มาดูแลคนแก่ ที่จริงเนี่ยไอ้ความคิดนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนก็ว่ามันไม่น่าสนใจนะแต่ที่มันน่าเป็นห่วงคือว่าเดีย๋ยวนี้ก็มีคนคิดแบบนี้เยอะในเรื่องนี้เนี่ยนะในหนังเรื่องนี้ก็จะมีพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ78็ดสบเคยเป็นพนักงานทําความสะอาดแต่ว่าถูกเลิกจ้าง เจแปแล้วนะยังต้องทำงานนะเพื่อเลี้ยงตัวเองพอถูกเรื่องจ้างแล้วเนี่ยแถมไม่มีที่อยู่นะบ้านเช่าก็ถูกยกเลิกประกอบกับตัวเองเนี่ยอยู่ตามลำพังสา ม, มีก็ตายแล้วลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่านะแล้วก็ คิดว่อยู่ต่อไปมันก็ลาบากก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ห น, งนังก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนเนี้นะแล้วเขาก็ไปเจอใครต่อใครมากมายซึ่งมันทําให้เรื่องราวหรือปัญหาคนแก่ก็ค่อยๆถูกเปิดเผยมาเชิญนิดชิญนิดคนดูเนี่ยดูแล้วก็อย่างที่ว่านะอึ้งนะเพราะว่า ก็ทำให้เห็นถึงปัญหาคนแก่แล้วก็ความรู้สึกของคนแก่ที่ตัวเองอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนเพราะว่ายังเป็นหนุนเป็นสาวยังสนุกสนานยังล้นล้ยอยู่กับชีวิตนยะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงนะว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยมันอยู่ยากนะหลายคนเมื่อกี้พูดว่ายอยู่ยากอยู่ยากสำหรับคนแก่เนี่ยนะ มันเป็นสังคมที่อยู่ยากทั้งๆ ท, ที่ชีวิตเนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะไม่ต้องเดินก็ย่องก็แย่งมีรถไม่ใช่แค่รถเมล์บางทีรถส่วนตัวบางทีก็รถรถไฟฟ้าจะซักผ้าก็มีเครื่องซักผ้าไม่ต้องเหนื่อยอยากใช้น้ําก็เปิดก๊อกเอาไม่ต้องไปหิว้วไปนอกไปหาบน้ําจากบอ่อดูแล้วเนี่ย คนแก่สมัยนี้เนี่ยสุขสบายกว่าคนสมัยก่อนแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ถึงกับสุขสบายต้องเรียกว่าสะดวกสบายมากกว่านะแต่ว่าไม่สุขหรอกเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่จะเรียกว่าไม่ค่อยเชิดชูคนแก่เท่าไหร่คนแก่ก็จะรู้สึกว่าเหินห่างความสัมพันธ์เหินห่างเพราะ ลูกหลานก็ไม่มีหรือมีก็แยกไปอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ชุมชนที่เคยทำความอบอุ่นนะมีมิตรก็หายไปหมดนะนอกจากความสัมพันธ์จะจะเหินห่างจนรู้สึกเงาแล้วเนี่ยค่านิยงในสังคมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ส่งเสริมคนแก่เท่าไหร่นะ สังคมนวันนี้เป็นสังคมที่เชิดชูความหนุ่มสาวคนเลยไม่อยากแก่นะใครแก่จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก่อนนี่เรียกใครว่าป้าเรียกใครว่าลุงเนี่ยเขายินดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไปเรียกใครว่าป้าเนี่ยเรียกใครว่ายายนี่เขามองหน้าเลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นสังคมที่ไม่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เชิดชูคนแก่ เดี๋ยวนี้คำว่าคนแก่ก็พูดไม่ได้ต้องใช้ว่าสูงวัยนะสวรเราลังเกียความแก่เดี๋ยวนี้ตามร้านเนี่ยมันจะมีเครื่องปะทินโฉมที่ทำให้ลบรอยความแก่นะผมงอกเลวอ่าไม่ดีน ะ, ะต้องย้อมผมให้มันดำผิวแห้งผิวเหี่ยวเอาก็มีน้ำยาทาผิวให้ดูเปล่งปลัง่งนะ บางทีก็ไปผ่าตัดเพื่อเสริมทรงลบรอยเหี่ยวย่นตีนกาอันนี้มันสะท้อนหะน้าถึงสังคมที่รังเกียจคนแก่เพราะว่าไม่หนุ่มไม่สาวเล็ยกยาหนึ่งคนแก่นี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะสนุกสนานเพราะว่าไม่มีกําลังวังชาสังคมทุวนนี้มันเชิดชูนะความสนุกสนาน ย่นต้องหนุ่มต้องสาวถึงจะได้เสพสุขเต็มที่พอแกแล้วก็เสพสุขไม่ค่อยได้แล้วก็สังคมนี่ยังเชิดชูความสำเร็จนะดสั่งอัคราธานในคนแก่นี่ไม่ค่อยมีสิ่งนี้ล้เพรา ะ, กระเกษียณบ้างละหรือเพราะไม่ค่อยมีเร้วแรงอันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เราเชิดชูคนแก่นะ คนแก่แม้ว่าจะร่างกายจะถดถอยกับเรามังชาจะถดถอยนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะเช่นคนยกย่องคนแก่เรียกปู่เรียกตาเรียกยายเรียกปุ้งเรียกป้าอย่างนหลายคนก็รู้สึกว่าเออได้รับความเคารพแลอย่างนึงก็มีลูกหลานห้อมล้อม รู้สึกอบอุ่นใครมีปัญหาชีวิตก็มาปรึกษาจากคนแก่เพราะมีประสบการณ์มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันตรงกันข้ามแล้วนะคนแก่ถูกมองว่าโง่เงินเงินไม่มีความรู้ตามไม่ทันโลกดังนั้ในใครเป็นคนแก่เนี่ยก็เลยรู้สึกแย่มีนาซ้ำก็ยังต้อง เจอความเจ็ความป่วยต้องทํามาหาเงินเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายเนี่ยจิตใจก็แย่ถอยไปด้วยจริงแล้วเนี่ยถึงแม้เป็นคนแก่ในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นต้องมีความทุกข์ก็ได้นะอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ใจเพราะว่าแม้ว่าร่างกายกระลำงังชาจะลดน้อยถอยลงแต่จิตใจมันสามารถจะยกกระดับให้สูงขึ้นได้ เริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความแก่ไม่รังเกตความแก่แล้วก็เห็นว่าถึงแม้เราจะมีกาลังวังชาน้อยแต่เรามีอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากคือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตนี้มีคุณค่ามากนะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยมันช่วยทำให้เราเข้าใจโลกได้ดีขึ้นเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเจอทุกมากระทบนะใจก็ไม่กระเทือนเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดา เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลวมทั้งสามารถเข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งคือความสุขทางใจประสบการณ์ชีวิตมันก็สอนว่าไอ้ความสุขจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเงินทองจากการเสพนี่มันของชั่วคราวความสุขทางใจสำคัญกว่าและประสบการณชีวิตมันก็เอื้อให้สามารถจะเข้าถึงความสุขเช่นนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่คนแก่ในยุคนี้เนี่ยนะควรให้ความสาคัญนะถึงแม้ว่าจะ รูปหลายเขาจะเหินห่างไปนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักเอาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาเตือนใจแล้วก็มาหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเนี่ยมันก็มีความสุขได้โดยเพราะถ้าว่าสนใจธรรมะนะธรรมะนี่มันช่วยทำให้อยู่กับตัวเองได้อยูงมีความสุขนะไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้ไม่ต้องรอคอยให้คนมาดูแลใจใสถ้ามีก็ดีนะแต่ถึงไม่มีก็ ไม่ทุกข์นะเพราะว่าอยู่กับความรู้สึกตัวพบกับความสุขความสงบในจิตใจอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตะหนักนะตอนที่เป็นหมุนเป็นสาวก็ไม่ค่อยได้ตื่นตัวเรื่องนี้เปลินกับความสุขพอมาแก่เข้าก็ก็กลายเป็นทุกข์ไปเพราะว่าสงสนานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนลืมเตรียมตัวลืมเตรียมใจแต่ถ้าเตรียมใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะ มันก็ทำให้พอถึงเวลากลายเป็นคนแก่จะเรียกป้าเรียกลุงก็ยิ้มนะขอบคุณอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งให้ห น, นักเรื่องนี้มันเตือนใจนะให้เรานอกจากเข้าใจคนแก่แล้วก็ยังต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับรับมือกับความเป็นคนแก่ในอนาคตด้วย